เรื่องพิกษณีเป็นไข่ 1,179 สมัยนั้นพิกษณีรูปหนึ่งเป็นไข้ขาดร่มและรองเท้าแล้วเธอจะไม่มีความผาสุกพวกภิกษุจึงกลาบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ